วันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศที่ชุ่มชื่นที่เย็นสบายที่มีฝนตกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ในครั้งพุทธกาลเคยทำให้มีพระรูปหนึ่งได้บรรลุธรรมขึ้นมา คือมีพระพิกษสืรูปหนึ่งมีคำถามสงสัยอยู่ในใจจึงได้ไปที่ปทับของพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็ฝนตกพอดีเลยไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นไปเข้าพระพุทธเจ้ายืนรอให้ฝนหยุดก่อนระหว่างที่ยืนรออยู่ที่เชิงบันได ก็เห็นน้ำฝนที่ไหลลงจากหลังคาลงมาสู่พื้นดินมากระทบกับน้ำที่อยู่บนพื้นดินเป็นฟองน้าแล้วก็แตกหายไปน้ำที่ไหลลงมาจากหลังคาพอมากระทบกับน้ำที่อยู่บนดิน ก็ทำให้เกิดมีฟองน้ำขึ้นมาแล้วฟองน้ำมันก็แตกหายไปท่านก็เลยใช้การแสดงธรรมของน้ำฝนนั้นมาสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจะเป็นเวทนาจะเป็นอารมณ์อะไรต่างๆก็เป็นเหมือนกับคองน้ําดีๆนี่เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ห้ามฝนไม่ให้ตกลงมาไม่ได้ห้ามไม่ให้มลพิษฝนผลิต คองน้ำขึ้นมาไม่ได้ห้ามไม่ให้คองน้ำแตกไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นสภาวธรรมคือใจรักเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าไปมีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากก็จะต้อง เวลาที่ไม่ได้ตามใจอยากนั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครที่จะสามารถมาสั่งมันหรือห้ามมันได้เมื่อพิจารณาเสร็จก็เลยได้คำตอบ เลยกลับกติไม่ต้องขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าได้คาตอบมีดวงตาเห็นธรรมเห็นใตรักบรรลุธรรมถ้าไม่ได้แสดงว่าบรรลุขั้นไหนทุกขั้นก็ต้องเห็นใตรักขั้นโสดาบันก็ต้องเห็นใจรักขั้นอรหันต์ก็ต้องเห็นใตรักแต่ใตรักในสิ่งที่ต่างกัน ขั้นโสดาบันก็จะเห็นใจรักในเรื่องของร่างกายและความเจ็บไข้ได้ป่วยคือเวทนาของร่างกายเห็นกายเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดถ้าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บหรือตายก็จะทุกข์กับร่างกายทันทีแต่เมื่อเปรียบเทียบเห็นว่าเป็นเหมือนกับฟองน้ำที่เกิดแล้วก็ดับไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้เังนั้นก็เลยขั้นโสดาบันก็จะปล่อยวางเรื่องของร่างกาย ว่าร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปปล่อยวางเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายร่างกายวันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทุกข์ได้วันนี้สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่สบายเ ป, เป็นโลกนั้นเป็นโลกนี้ไปรักษามันมันก็หายบางทีรักษาก็ไม่หาย ถ้าไปอยากให้มันหายมันก็ทุกข์ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันยอมรับสภาพของร่างกายว่าต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ผู้ที่ทุกข์ไม่ได้เป็นร่างกายจะไปทุกข์กับร่างกายทําไมร่างกายเขายังไม่ทุกข์เลยเวลาร่างกายเจ็บนี่มันไม่เคยบน่นว่ามันเจ็บนะคนที่บ่นคือใจเนะี่ยสังขารความคิดปรุงแต่งบ่นไปโอ๊ยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากให้มันหายเจ็บใน ต, ตัวนี้ไม่ได้เจ็บเลย แต่ไปเดือดร้อนแทนตัวที่เจ็บคือร่างกาย<ม>พอถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยง ม, มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างร่างกายก็มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อ ม, มแล้วก็มีการตาย ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาในใจถ้าไม่อยากก็จะสบายใจอยู่กับมันไปใจไม่เดือดร้อนใจก็ไม่ทุกข์ถ้ามีความรู้ความเป็นจริงของสภาวะของร่างกายและเวทนาว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปอยาก ให้ให้เป็นนิจังเป็นอัตตาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการเห็นตรลักษ์ในระดับของขั้นโสดาบันเห็นเห็นตราักษ์ในขันห้าขันห้าก็คือรูปรูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดของใจ ที่เวลาไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องของร่างกายก็จะเกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างแล้วก็เกิดความอยากถ้าสุขก็อยากให้มันสุขไปนานๆถ้าทุกก็อยากให้มันหายไปเร็วๆอพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง คือทุกข์ในใจทุกข์ที่เกิดจากการอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากทุกส่วนนี้ผู้ปฏิบัติสามารถกําจัดได้ด้วยการกําจัดเหตุของความทุกข์ส่วนนี้คือความอยากอยากให้ร่างกายอยากให้เวทนาสุขไปนานๆอยากให้ความทุกข์เวทนาหายไปเร็วๆ พออยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์แต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นดานตาเหมือนเป็นเหมือนฝนเนี่ยจะอยากให้มันหยุดเร็วๆมันก็สั่งมันไม่ได้จะมันตกก็ต้องปล่อยมันตกไปมันจะหยุดก็ปล่อยมันหยุดไปพอเราไม่มีความอยากกับฝนเราก็นั่งกันสบายไม่ไม่เดือดร้อน แต่ถ้ามีความอยากให้มันหยุดใจก็จะเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเวทนาของร่างกายก็แบบเดียวกันเ่อพออยากให้ทุกข์หายไปทุกขเวทนาหายไปเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้หายไปพอไม่หายก็ทุกข์ขึ้นม า, เ, าเวลาสุข เ, เวลามันหมดไปก็ทุกขเพราะไม่อยากให้มันหมด พอพิจารณาเห็นตายแล้ว ก, ก็สามารถที่จะปล่อยขันห้าได้ร่างกายก็เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างก็มาระงับสังขารความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางความอยากให้ทำใจเป็นอุเบกขาสัตววรู หยุดความคิดตรุงแต่งได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะเฉยความลับชังกลัหลงในใจก็จะหายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของเวทนาเนี่คือขั้นแรกของการเจริญปัญญาของผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุ เป็นพระ อ, อริยบุคคลแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้จำเป็นจะต้องทําจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนให้มีอัปปนาสมาธิเป็นฐานของใจให้ใจนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ปัสจาความรักชังกลัวหลงก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิ จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษ์ได้เพราะจะถูกความอยากนี่ให้อยากให้มันเป็นวิจังสุขขังอัตตาแทนที่จะพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาก็จะมองไม่เห็นก็จะอยากให้หายอยากให้ไม่ตายอยากให้ไม่แก่ พอไปอยากเขา้าพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ผู้ที่มีอุเบกขาแล้วนี่แล้วถ้าได้พิจารณาทางใจลักษณ์ก็จะเห็นว่าเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนานี้เป็นของที่เขาต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาบางทีเขาก็สุขบางทีเขาก็ทุกข์ นั่งกายบางทีก็เจริญช่วงที่เจริญนะเราไม่เดือดร้อนเราชอบกันตอนเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเราชอบแต่พอเริ่มเปลี่ยนจากหนุ่มสาวมาเป็นคนแก่คนชราเราไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยเกิดความอยากอยากให้มันสาวให้มันหนุ่มไปนานนานบานไม่รู้โรยสวยไม่สาง แต่มันก็ทำได้ไม่ได้มากไปทำสัญญกรรมไปทำอะไรต่างๆไปใช้เครื่องสำางใช้อะไรโปะผิวหน้าใบหน้าลบล้างรอยที่ไม่สวยงามต่างๆก็เป็นการสู้กับฝนนี่แหละสู้ยังไงก็สู้กับฝนไม่ได้เดี๋ยวฝนมันก็ตกอีกวันนี้มันหยุดเดี๋ยวมันก็ตกอีก ฉนันอย่าไปสู้กับธรรมชาติดีกว่าอยู่กับธรรมชาติพออยู่กับธรรมชาติได้ใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็เย็นใจก็จสบาย ใ, ใจก็จะพ้นจากความทุกข์ในระดับร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายได้พระโสดาบันนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาร่างกายแก่ก็รู้เฉยๆสักต่วันรู้ไป เวลาเจ็บก็รู้เจ็บถ้ารักษาได้ก็รักษาไปครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไปหาหมออยู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าก็มีชีวกหมอชีวกมาคอยจัดยาให้ใ ห, ให้สวยให้รับประทานท่านก็รักษาไปตามตามกำลังที่พอจะทําได้แต่พอถึงขีดที่รักษาไม่ได้ท่านก็ให้หยุด ให้หยุดแล้วก็ท่านก็ปล่อยวางให้ร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันแต่ท่านจะไม่สั่งให้มันตายท่านจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะท่านไม่ได้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติขันห้างวันนี้พอร่างกายป่วยแล้วไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของใจได้ไม่สามารถพาพาใจไปเที่ยวไปหาความสุขได้อยู่บ้านก็เกิดความหดหดดำคาญใจอยู่โรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความซึมเศร้าก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าการฆ่าร่างกายแล้วจะทำให้ความทุกข์หายไป อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะการฆ่า น, นี้มันเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาในใจพาลิยะท่านไม่ฆ่าตัวตายผู้ที่ปล่อยวางขันห้าได้แล้วท่านไม่ฆ่าตัวตายท่านเห็นว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการกระทําบาปเป็นการสร้างความทุกข์ของใจขึ้นมาโดยใช่เหตุเนี่ยพระโสดาบันก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาด เวลาจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนก็ไม่ทำบาปยอมอดดีกว่าไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะไปเอามาเป็นอาหารเลี้ยงชีพของตนพอเวลาฆ่าแล้วมันจะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีอยู่เฉยๆตอนนี้ไม่ทุกข์ไปหาทุกข์มาใส่หัวทำไมไปยืดอายุของร่างกายที่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปทาไม ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นตายรักท่านเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจที่เกิดจากการทําบาปเรือเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆานก็เลยไปทําบาปไปทําบาปแทนที่จะมีความแทนที่จะสุข ก, กับทุกข์เพิ่มขึ้นมาบาปนี้เป็นของร้อนเหมือนไฟเอาไฟเข้ามา เผาตัวเองพระโสดาบันนั่งพาลยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบปนบันขึ้นไปท่านไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านก็เลยปิดประตูว่าายได้ท่านยอมตายยอมให้ร่างกายตายท่านไม่ได้ตายท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ตายท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้ใช้ร่างกายและรู้ว่าร่างกายก็จะต้อง ตายไปในที่สุดไม่ว่าจะดูแลรักษามันดีขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องตายอยู่ดีฉะั้นการที่จะรักษาร่างกายด้วยการทําบาปนี้เป็นการไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ทําอาลยยบุคคลจึงไม่ไปอับายกันปิดอบายท่านระศีลพัตนปร a r a m ได้ สีลพัตปารมาก็คือความลังเลสงสัยในเรื่องของคุณของศีลว่ามีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่การรักษาศีล้าริยาบุคคลทุกคนเห็นคุณของศีลศีลเป็นสิ่งที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องทุกข์ ขณะที่ทําบาปปรับใจก็ทุกขึ้นมาทันที น, นี่คือแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะว่าได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือตายรักอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเห็นว่าความอยาก และความทุกข์ใจหายไปเพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าของต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของธรรมชาติเราไปควบคุมบังคับไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเมื่อเห็นธรรมก็ไม่สงสัยผู้ที่เอาธรรมมาเผยแผ่ก็คือพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปอินเดียผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้ไม่ต้องไปอินเดีย สมัยก่อนรุ่นของหลวงปู่มั่นรุ่นของลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี้ท่านไม่มีเงินไปอินเดียกันท่านก็ไม่ไปท่านไม่เคยคิดไปอินเดียกันท่านเอาวิธีมีดวงตาเห็นธรรมกันด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนท่านก็เลยไม่จำเป็นต้องไปอินเดียเหมือนพวกเราพวกเรามันขี้เกียจสุ ป, ปฏิปันโนกัน เราก็เลยคิดว่าเอาทางลัดกันไปก็ไม่ได้เห็นธรรมอีกละเห็นแต่ซ่าของธรรมเห็นแต่ซ่าของที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่เกิดของพระพุทธเจ้าที่สแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าที่ตายของพระพุทธเจ้าดูไปก็บางทีก็ยังไม่มั่นใจว่าถูกหลอกมาหรือเปล่าที่ตรงนี้เป็นดังที่เขาพูดหรือเปล่า เพราะไม่มีอะไรมายืนยันได้นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็ผ่านมาตั้งสองวันห้าร้อยกว่าปีแต่ก็พอเชื่อถือได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมากำจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้อย่างสิ้นเชิงต้องปฏิบัติธรรมน้องศึกษาธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมเห็นคุณภาพของธรรม เห็นอนุภาพของธรรมว่าสามารถมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ต้องเห็นตัวนี้เห็นอนุภาพของธรรมที่ทำให้ใจที่เคยทุกข์กับร่างกายนี้ไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปไม่ได้ทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายอันนี้แหละจะทำให้ มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมก็เป็นองค์เดียวกันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนะร่างกายของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมร่างกายของพุทธเจ้าก็เป็นดินน้ำนมใส่แต่ธรรมที่พุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยเป็นธรรมนะ ผู้ที่ปฏิบัติจนเห็นธรรมก็จะรู้ว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนนี้ยังอยู่อยู่ในพรานิพานท่านไม่ได้มามีร่างกายมาติดต่อกับเราเหมือนคนที่เราใช้มือถือเนี่ยเราก็ไม่มีมือถือเราก็ติดต่อเขาไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาหายสาบสูญตายไปเพียงแต่เขาไม่มาติดต่อกับเราเท่านั้นะ นี่คือพระพุทธเจ้าร่างกายของพุทธเจ้าก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้ติดต่อกับพวกเราเวลาจะแสดงธรรมท่านก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถแสดงธรรมได้พวกเราก็ต้องมีร่างกายถึงมะสามารถที่จะฟังธรรมได้ถ้าร่างกายเราตายไปเราก็มานั่งฟังธรรมตรงนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสาร ที่เราใช้ติดต่อกันเวลาที่ร่างกายตายไปเป็นเพียงเครื่องมือที่ตายไปผู้ที่ใช้เครื่องมือไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายของพระพุทธเจ้ า, ากลายเป็นพระาธาตุไปแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังอยู่ต่อไปเพียงแต่อยู่แบบไม่เกิดเท่านั้นแบบไม่มีร่างกายใหม่ พอท่านเบื่อกับการที่จะต้องมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายมาทุกข์กับร่างกายเหมือนกับคนที่เบื่อใช้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวต้องคอยชาร์จแบตเดี๋ยวต้องคอยเปลี่ยนแบตเดี๋ยวต้องไปซ่อมอะไรหลายอย่างด้วยกันถ้าใช้ไปมากเข้าอาจจะเกิดความลำคาญเบื่อหน่ายก็าอาจจะเลิกใช้ก็ได้ คนที่เห็นร่างกายว่าเป็นทุกข์เป็นภาระก็จะไม่มีร่างกายดีกว่ามีแล้ทุกข์และเห็นว่าความสุขที่ได้จากร่างกายนี้ความสุขสู้ความสุขที่ได้จากธรรมไม่ได้ไม่ได้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมไดสมาที่ธรรมก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนะที่เหนือกว่ารสทั้งปวง คือความสงบนัตสันติะลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว<ม>ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติใช้ปัญญาที่จะมาสร้างความสงบ แล้วก็รักษาความสงบให้สงบอย่างถาวรสติเป็นผู้สร้างความสงบปัญญาเป็นผู้รักษาความสงบปัญญาจะเป็นผู้คอยกำจัดผู้ที่มาทำลายความสงบปัญญาเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองจะสงบก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยจับโจรจับผู้ร้ายที่มาก่อกวนสร้างความไม่สงบให้กับสงบังคม ปัญญาก็เหมือนเหมือนตำรวจที่จะมาคอยกำจัดผู้ที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจผู้ที่มาทำลายความสงบให้กับใจก็คือกิเลสตัณหานี่ยพ อ, เ, อเกิดกิเลสเกิดความโลภเกิดความโกรธใจก็ร้อนขึ้นมาเกิดตัณหาเกิดความอยากใจก็กวลกวายกระสับกระสายหกรธเหยียดลำคาญใจขึ้นมา แต่พอมีปัญญามากำจัด ป, ปั๊บอาการหงุดหงิดลำคาญใจต่างๆอาการไม่สงบก็หายไปจิตก็กลับสงบเป็นก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเกิดกิเลสขึ้นมากลับไปสู่สภาพที่นิ่งสงบพอกิเลสตัณหาถูกปัญญากำจัดไปหมดปัญญาก็ตกงาน ตำรวจก็พ้นหน้าที่เมื่อไม่มีโจรผู้ร้ายก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตำรวจเพราะบ้านเมืองจะสงบไปอย่างถาวรใจก็เหมือนกันหลังจากที่ใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะสงบอย่างถาวรสงบแบบนิพานเรียกว่านิบบานังปลมังสุขขงังอันนี้เกิดจากขั้นของปัญญา ทั้นของสติทำใจให้สงบแต่ยังไม่ได้กําจัดกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาโผล่ออกมาขึ้นมาสแสดงวีรกรรมก็ท่างความวุ่นวายให้กับใจก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามากําจัดใช้ไตรักเ mm hmm. ช่นเวลาเรานั่งสมาธิใจสงบพอจากสมาธิมาพอมาเห็นร่างกายเราก็เริ่มวิตกกังวลกระมาณนี้น มันแสดงอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าใจก็เริ่มไม่สบายนะถ้าใช้ปัญญาก็ปัญญาก็จะมาพิจารณาร่างกายว่าแล้วมันเราทำอะไรได้หรือเปล่ามันเป็นอนัตตาทำได้ก็ทำไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องให้มันเป็นไปถ้ามีปัญญา ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายก็จะหายไปความเจ็บไม่หายความเจ็บของร่างกายอยู่แต่ความทุกข์ของใจที่ไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายนี้จะหายไปจะอยู่กับความเจ็บได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนพระใจกลับไปสู่ความสงบไปสู่อูเบิกขาด้วยอํานาจของปัญญาแล้วก็จะ ไม่ทุกกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่อไปเพรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้เวลามันเป็นก็รู้ว่ามันเป็นเวลามันหายก็ไม่ดีใจหายก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกเพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บไปมันจะหายอย่างถ้าวรก็ตอนที่มันตายท่าน อพรานั้นโรคทุกอย่างหายหมดเวลาไม่หายใจแล้วโรคทุกอย่างก็หายหมดพวกเราเลี้ยงโรคภัยไข้เจ็บด้วยลมหายใจของพวกเราเองรู้เปล่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปนี่เราไปสนับสนุนเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้มันาสามารถทำหน้าที่มาสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับเราได้พอเราหยุดหายใจปับ๊บไม่หายใจปับ๊บเชื้อโรค ก, ก็ตายหมด นี่นี่คือวิธีรักษาโรคที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไปทไําลายร่างกายไม่ได้ต้องให้ร่างกายมันหยุดทํางานของมันเองถ้าเราไปฆ่าร่างกายเราไปทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะการฆ่าเป็นบาปมันจะทําให้ใจร้อนขึ้นมาเหมือนเอาไฟเข้าไปในใจฉะนั้นผู้ที่มีธรรมะ ท่านจะไม่ฆ่าตัวตายนั่งกายจะพี่กนพี่การนั่งกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรท่านก็อยู่กับมันไปแต่ท่านระ ง, งับการรักษาได้ท่านรักท่านระ ง, งับการกินการดื่มได้ถ้าท่านไม่อยากกินได้ก็ไม่กินไม่อยากดื่มก็ไม่ดื่มอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเป็นเพียงแต่การยุติการสนับสนุน ส่งเสริมให้ร่างกายมันอยู่ต่อไปพอเพราะฉะั้นว่าอยู่ไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่าอายุ80ปีก็พอแล้วเพราะอยูตอ่ต่อไปมันก็จะร่างกายก็จะไม่แข็งแรงจะไม่สามารถทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าได้ท่านที่ท่านอยู่นี้ท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านท่านอยู่เพื่อ ทำหน้าที่เอาธรรมะอันวิเศษนี้มาสั่งสอนให้กับพวกเราแต่ถ้าท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถทาหน้าที่นี้ได้อยู่แล้วเป็นภาระให้กับผู้อื่นท่านก็ไม่อยู่ท่านก็เลยกรงสังขารสามเดือนก่อนจะตายท่านเห็นอาการของร่างกายแล้วว่ามันมันจะต้องหมดแรงหมดลมแต่ท่านบอกว่าถ้าจะ ผลักดันมันให้อยู่ต่อก็ผลักได้ผู้ที่มีคุณธรรมสูงมีอิทธิบาทสี่มีฉันทาวิรยิยะจิตตวิมังสาระดับพระอริยนี่สามารถผลักดันให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีแต่ต้องต้องใช้กำลังคอยเลี้ยงดูร่างกาย คอยบังคับให้มันออกกำลังกายบังคับให้มันกินให้มันเดิมคือต้องใช้การบังคับมันถึงจะทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้พระพุทธเจ้าทรงคอยพูดไว้กับพระอานนุ์หลายครั้งก่อนที่จะทรงลงสังขารแต่ทุกครั้งที่พูดอานุนก็ไม่เอะใจไม่ได้คิดว่า พระพุทธเจ้ามีความหมายว่าอย่างไรออก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เพียงแต่รับฟังไว้พ อ, อพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอนนท์นีออ่ไม่เข้าใจความหมายออพระพุทธเจ้าก็เลยปร่งสังขารบอกอนนท์ว่าอีกสามเดือนนี้เราจะปล่อยวางร่างกาย เ, ออเราจะจากพวกเธอไป พออานด์ได้ฟังปั๊บก็รีบขอร้องพระพุทธเจ้าทันทีได้โปรดอย่าพึ่งไปโปรดอยู่กับพวกเราอีกพระพุทธเจ้าบอกสายไปแล้วเราเคยบอกเธอต้องหลายครั้งแล้วเธอไม่เคยขอเราเลยถ้าเราจะอยู่ก็เหมือนกับว่าเรามีกิเลสมีความอยากจะอยู่ไม่ได้อยู่เพราะมีความต้องการของผู้อื่นให้อยู่ท่านบอกว่าสายไปแล้วอาโดน เธอไม่ตอนที่เราเล่าให้เธอฟังว่าว่าร่างกายของเรานี่ถึงแม้มันจะแก่แต่เราก็มีกําลังที่จะสามารถยืดอายุของมันได้แต่เธอไม่ได้เคยขอให้อยู่ต่ออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าส่วนหนึ่งอนนุณ อ, อาจจะอยากให้ตายก็ได้เพออาราะอนนุณเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่อานอนท์ก็ยังต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าต่อไปก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยไ ม, ไม่ไม่บังคับพระอานอนท์เมื่อพระอานอนท์ไม่ขอให้อยู่พระพุทธเจ้าก็เลยตรงสังขารว่าสามเดือนจากนี้ไป จะปล่อยวางให้ร่างกายกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันจะไม่แบกไม่หาไม่คอยอบังคับคอยเลี้ยงดูมันอีกต่อไปพอพระนนท์ได้ทราบก็ขอร้องทันทีขอร้องให้อยู่เถิดข้าพเจ้าจะยินดีรับใช้ให้พระองค์อยู่ไปนานๆแต่พระทัเจ้าก็บอกว่าสายไปเสียแล้วพระตถาคตลองได้ ตัดสินพระไทยแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัดสินพระไทยอย่างใดแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงให้กําลังใจกับพระนั่นว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะเธอจะไม่มีภาระที่ต้องมาคอยรับใช้เหลราแล้วเธอจะมีเวลาไปปลิกวิเวกไปบําเพ็ญธรรมขั้นสุดท้ายของเธอได้อย่างสะดวก ภายในระยะเวลาสเดือนพระอนนลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เข้าไปประชุมสังขานาพระธรรมคำสอนครั้งแรกซึ่งมีพระอรหันต์500รลูกร่วมประชุมกันเป็นผู้ที่มาตรวจสอบพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจดจำมาของพระภิกษุ ว่าถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหรือไม่แล้วก็เอามาบัรจุบันเทกไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานเป็นคำสอนที่สามารถนำเอาไปใช้ต่อไปได้สำหรับอนุชนรุ่นหลังเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากไปแล้วก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแต่ก็ยังมีคำสอน ที่ถูกต้องได้ถูกการจดจําไว้ในใจของพระภิกษุที่มาบวช응ก็เลยต้องมีพาาระาอารหันต์ผู้ที่รู้ธรรมจริงๆจะได้รู้ว่าการจดจําของผู้ที่ฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้ผิดพลาดตรงไหนหรือไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือไม่ก응็ เ, เรียกว่าภาษาข้ายานาพระไตรปิฎกครั้งแรก แล้วก็มีการสังคายนามาอยู่หลายครั้งจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็เลยยังมีพระพุทธเจ้าในรูปแบบของพระทำคำสอนในพระคำพีนี้เป็นศาสดาของพวกเรา mm. พระองค์พระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะจากไปท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ปราสะจากเราศาสดาเราศาสดาใจไปอยู่ใน หลักทำคสอนที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกถ้าพวกเธอต้องการที่จะค้าหาเราก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้นี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีตัวแทนอีกตัวแทนหนึ่งก็คือพระอริยสงสาวกพระ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพราะอารหันต์ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นทางสู่พระนิพพานถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างระดับกันอยู่ต่างขั้นกันแต่ทุกท่านนี้จะไปถึงพระนิพพานได้ในที่สุดพระโสดาบันนี้ก็ไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็เพียงชาติเดียว พระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปเนีนยพระั้นพระอริยบุคคลทุกองค์จะรู้ทางไปสู่พระนิพพานรู้ไตรลักษณ์รู้อริยรรสัจสี่นี่เองที่เป็นทางที่จะนําไปสู่พระนิพพานเพราะทำทุกขั้นทุกตอนนี้จะต้องใช้ อริยสัจสี 4. ใช้ใจรักณ์เป็นผู้ทาให้จิตปล่อยวางและผ่านข้ามไปได้อย่างพระโสดาบันก็ใช้ใจรักษณ์ปล่อยวางขันห้ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระสกิดาคามีพระอนาคามีก็ใช้ใจรักษณ์ในร่างกายคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความไม่สวยงามของร่างกาย ร่างกายของทุกคนจะสวยงามอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเป็นคนแก่เป็นคนตายพอเป็นคนตายก็ไม่น่าดูไม่น่ารักเหมือนตอนที่เป็นคนเป็นอยู่ผู้ที่ต้องการที่จะผ่านการอารมณ์ได้ก็ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นความสวยงามก็จะสร้างการอารมณ์ขึ้นมาพอเห็น ความไม่สวยงามของร่างกายการอารมณ์ก็จะหายไปก็จะเป็นทำให้ผู้ที่เห็นการอารมณ์นี้บรรลุขั้นพระอนาคามีได้กาจัดการอารมณ์ความอยากเสพการอยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอยากจะมีแฟนกับคนนั้นคนนี้อยากจะมีมคู่ครองนี้จะหายไปหมดเราเห็นว่าคู่ครองนี้ก็เป็นผีดิบดีๆนี่เอง ใชไหมเวลาคู่ครองเราตายไม่หายใจนี่เราเก็บไว้ในบ้านก็รีบส่งให้วัดเลยแต่เวลายังมีลมหายใจอยู่ในี่ใครแตะไม่ได้เพราะเราไม่เห็นอสุภะไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราอยู่เห็นเห็ น, หนแต่ความสวยงามของร่างกายเราก็เลยหลงไหลลักไข้ร่างกายนั้นแต่พอไม่มีลมหายใจปั๊บแม่ทำไมมันเห็นทันทีก็ไม่รู้ เห็นว่าถ้าปล่อยไว้ในบ้านเดี๋ยวมันต้องเน่าเลยรเดี๋ยวมันต้องอืดพองขึ้นมาส่งกลิ่นเหม็นนี่ยนี่แหละคือการพิจารณาสุภาษิตคิดว่าคนที่เป็นเป็นสวยๆนะ่ะหลอดหล่อนี่ยเวลาไม่หายใจแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นอืดปล่อยทิ้งไว้สองสามวันก็จะขึ้นอืดน้นําเลือดน้ําหนองน้ําอะไรก็จะไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นทิ้งไปนานๆก็จะเน่าเฟะ นี่นี่คือการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นตายรักษ์เหมือนกันความสวยกับความไม่สวยมันก็ไม่เที่ยงความสวยก็เรียกว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนสวยชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องกลายเป็นของไม่สวยไปนี่คือการพิจารณาตายรักระดับของพระอนาคามีกับพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีนี้ท่าน ละได้เพียงครึ่งเดียวทำให้เบาบางลงเพราะท่านยังไม่เห็นยังไม่เห็นอสุภะตลอดเวลาบางเวลาก็เผลอไปเห็นสุภะบางเวลาก็เห็นอสุภะเวลาเห็นสุภะก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอนึกถึงเวลาไม่หายใจก็เกิดก็เห็นอสุภะขึ้นมาแต่ะ้านาคาเมีนี้ท่านเห็นตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาก็เลยทาให้ท่าน ไม่อยากจะมีร่างกายไม่ไม่ไม่อยากจะมีคนรักคู่ของอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการไม่มีการมารมดีกว่าเวลาการมารมสงบนีจิตสงบเข้าสู่ระดับฌานทันทีเนี่ยเข้าสู่ระดับรูปฌปานอรูปฌานเนี่ยจิตของพระอนาคามีจึงอยู่ในระดับของรูปฌานอรูปฌานโดยอัตโนมัติถ้าได้กำจัดการมารมไปอย่างท้าวน ไม่ต้องใช้นั่งเพ่งสติพุโทโธพุโทโธหรือดูลมเพื่อให้เข้าฌานมันเป็นฌานเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบไม่เป็นฌานก็คือการมาลมนี่ได้ถูกกำจัดออกไปจากใจออก็เหลือแต่กิเลสส่วนละเอียดที่ยังไม่ได้กำจัดคือความความหลงยึดติดอยู่ในความสงบนี่แหละความสุขของจิตใจ ซึ่งถ้ายังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะไม่เห็นตายรักในความสงบของจิตใจก็จะคิดว่าจิตใจนี้สงบทาวรแต่พอเดี๋ยวความสงบหายไปก็เกิดตั้หาความอยากอยากให้มันกลับไปสงบอีกพอมันไม่สงบตามความอยากก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกก็ต้องใช้การพิจารณาตายรักษณ์ให้เห็น ทำอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับจะไปให้มันเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้มันสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากให้มันหายไปเพราะชีวิตเรายังต้องมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นโรสต่างๆที่ไปเป็นตัวไปกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆภายในใจอีก ต้องใช้การพิจารณาอารมณ์ในใจจนปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยให้มันสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์มันจะหายก็หายมันจะอยู่ก็อยู่ไม่ไปยุ่งไม่ไม่วุ่นวายกับมันพอไม่ไปยุ่งไม่วุ่นวายใจก็เลยไม่วุ่นวายใจก็สงบถึงแม้อารมณ์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับมันเพราะเข้าใจว่ามันเป็นตายรักถ้าไปวุ่นวายก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ก็เลยไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเหมือนกับร่างกายไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายใจก็ไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของมันใจก็ไม่ทุกข์กับอะไรไม่มีอะไรให้ทุกข์อีกต่อไปใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งสิน้นเป็นปรมังสุขขังขึ้นมา หลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายภพไม่ติดอยู่ในกามภพไม่ติดในรูปภพอรูปภพกามภพก็คือการติดอยู่กับเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายเป็นเครื่องมือของการเสพกามผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางกามตัณหาก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในกามภพอยู่ แต่ถ้าได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการมาพบว่าเป็นต้นของเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุ ด, น, ดนะก็ละกามกามาตัณหาด้วยปัญญาด้วยสมาธิก่อนทำจิตให้สงบก่อนเวลาพูดถึงปัญญานี่ขอให้เข้าใจว่าหลังจากที่มีอัปปนาสมาธิแล้วถึงจะเป็นปัญญาที่ใช้งานได้ ถ้าเป็นปัญญาก่อนที่มีสมาธินี่เราเรียกว่าจินตามยปัญญาหรือสุตตามยปัญญาคือปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ตอนนี้เรียกว่าสุตตามยปัญญาพอให้เรารู้ลางๆว่าเรื่องราวของเราเป็นยังไงแต่ยังไม่สามารถเอาไปปฏิบัติการได้เพราะเรายัางไม่สามารถที่จะมีกำลังไปหยุดความอยากได้รู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ แต่เวลามันเกิดขึ้นมาก็สู้มันไม่ได้สักทีอยากกินกาแฟาแก้วเดียวก็สู้มันไม่ได้นะยอมแพ้แล้วยกธงขาวแล้วอยากสูบบุหรี่ทั้งมวนมว ล, ลเล็กๆก็สู้มันไม่ได้นะเเพราะเราไม่มีกำลังเนี่ะนั้นสุดตมยะปัญญาจินตามิยะปัญญานี้เป็นปัญญาที่ยังไม่ได้มีสมาธิตัวที่จะมีสมามีกำลังคือสมาธินี่ พราะถ้าเรามีสมาธิเราหยุดความอยากได้เราทําจิตให้สงบความอยากก็หยุดทํางานทันทีเพียงแต่ว่ามันไม่หยุดอย่างถาวรเท่านั้นพอสมาธิเสื่อมลงความอยากก็ออกมาแสดงวีรกรรมต่อไปตัวที่จะมาทําลายความอยากได้นี่ต้องเป็นปัญญาต้องเห็นด้วยเหตุด้วยผลว่าทําไมเราไม่ควรอยากเพราะความอยากเหมือนกับทําไมเราไม่ควรจุดไฟเผาบ้านเรา ความอยากนี่มันเหมือนตัวที่มาจุดไฟเผาใจเราให้ทุกข์ให้ร้อนนั่นเองถ้าเราใช้เหตุผลแล้วเราก็จะไม่กล้าทำถ้ารู้เหตุผลว่าความอยากนี่เป็นเหมือนตัวมาจุดไฟเผาใจเราเราก็จะไม่กล้าอยากเหมือนกับเวลาที่เราเราไม่กล้าจุดไฟเผาบ้านเราใช่ไมเพราะเรารู้ว่าถ้า จ, จุดไฟเผาบ้านบ้านเราก็ไหม้หมด อันนี้ก็เหมือนกันความอยากถ้าเราเปรียบเทียบดูก็เหมือนกับจุดไฟเผาใจเราถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะเห็นชัดเวลาเวลาความอยากมันโผล่ขึ้นมาเพียงแต่โผล่ขึ้นมามันก็ทําให้ใจกระเพื่อมละเพียงแต่คิดอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมามันก็เริ่มกระเพื่อมละเริ่มคิ ด, แ, ดแล้วว่ามีกาแฟดื่มมั้ยเปล่าอยู่ตรงไหนเริ่มคิดหาแล้ะแล้วถ้าหาไม่ได้นี่เริ่มปวดใหญ่ละ ใจที่เคยสงบเย็นสบายหายไปหมดเ น, เนืือแต่ความวุ่นวายใจปรากฏขึ้นมาพอได้ดื่มสักแก้วหนึ่งความปวนใจหายไปชั่วคราวก็คิดว่านี่เป็นประโยชน์จากการได้ดื่มกาแฟทําให้ความความหงุดหงิดของใจหายไปแต่ไม่รู้หรอกว่าความหงุดหงิดของใจนี่มันเกิดจากความอยากดื่มกาแฟในเบื้องต้นนี่ถ้าไม่มีความอยากดื่มกาแฟเบื้องต้นความหงุดหงิดมันไม่เกิดหรอก ยังตอนนี้เราหงุดหงิดจากการดื่มกาแฟ ไ, ม, ไม่หงดเหงยดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันไม่ได้อยากมันแต่ถ้าเราไปลองคิดถึงมันดูแล้ว เ, เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาทีนี้มันจะหงุดหงยดแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะอันนี้จึงต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษของการมีความอยากและการทําลายความอยากมาเวลาเกิดความอยากนี่มันเป็นโทษกับใจ เวลาระ ง, งับความอยากได้นี้มันเป็นขุนกับใจมันทําให้ใจสงบไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายต้องเห็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาภาวนามายปัญญาเห็นด้วยใจที่สงบว่าเวลาใจสงบใจยเย็นจะสบายพอใจกระเพิ่มกระเพิ่มที่เกิดจากความอยากมันก็จะสั่นกันมาแล้วมันก็จะทุกข์จะไม่สบายใจแล้วมันก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไร เรามันจะรู้ว่าเราต้องการความสงบเราไม่ต้องการอะไรเราไม่ต้องการความวุ่นวายแล้วเมื่อเรารู้ว่าความวุ่นวายของเราเกิดจากความอยากดื่มกาแฟเราก็เลิก ด, เดเเลกดื่มมันเสียหมดเลงพอเลิกดื่มนสบายต่อไปเห็นกาแฟก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนแต่มีใครเอามาทำให้กินก็กินได้แต่ถ้าเราไม่ได้กินด้วยความอยากของเราไม่มีปัญหา อยู่ดีๆมันมาอยงนี้เราก็ดื่มได้แต่ถ้าเราไปดื่มเพราะเกิดความอยากมันจะติดกันนะแต่ถ้าดื่มเพราะเขาให้มาดื่มนี่ไม่ติดนะดื่มแล้วก็จบแต่บางทีก็ไม่อยากจะดื่มหรือ ถ, ถ้าคิดว่าดื่มเราจะติดก็ไม่ดื่มเพราะเห็นพิษของการไปติดสิ่งต่างๆเวลาติดแล้วเวลาไม่ได้นี่มันทุกข์มันทรมาน สู้อยากไปติดดีกว่าถ้าดื่มแล้วติดก็ไม่ดื่มคนบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมผ้าอาหารหันยังดื่มยังสูบบุหรี่ได้ยังดื่มกาแฟไนดะ้ก็ท่านไม่ได้ดื่มด้วยความอยากท่านไม่ได้สูบด้วยความอยากเคี้ยวหมากก็ไม่ได้เคียวด้วยความอยากมีคนเอามาให้อย่างเงี้ยก็รับ เคี้ยวไปเคยสมัยก่อนที่ไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ยังเคี้ยวมากอยู่พ อ, อเป็นพระอรหันต์ก็เคี้ยวปากได้ร่างกายมันก็ร่างกายอันเดิมเพียงแต่ใจมันไม่ได้มีความอยากเวลาไม่มีหมากเคี้ยวมันก็ไม่เดือดร้อนมันไม่ทุกข์มันไม่วุ่นวายเหมือนหลวงตามีท่านเคยไปต่างประเทศครั้งหนึ่งเขานิมนต์ท่านไปประเทศอังกฤษไปตรวชาวอังกฤษเนี่ยญาติโยมรู้นี่ว่าหลวงตาฉันหมาก ก็เลยขนหมาภูไปที่สนามบินเป็นกิโลเบอกว่าใช่หลวงตาขนไปจะได้จะได้ไม่จะได้ไม่ขาดหมากเคี้ยวหลวงตาบอกเราไม่ได้เคี้ยวเพราะความอยากเราไม่ได้ติดมันอะเราไม่เอาไปหรอกแต่เราจะเคี้ยวคําสุดท้ายให้พวกเธอฉลองศรัทธาพอาท่านเคี้ยวหมาคําสุดท้ายเสร็จท่านก็ไม่เคี้ยวท่านไปอยู่อังกฤษสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นี่ท่านไม่มีหมากเคี้ยวเลยท่านไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับมันเนี่ย เพราะว่าใจท่านไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆแต่ท่านก็ยังกินยังดูยังฟังอะไรตามปกติตามเรื่องของขันอยู่ขันมันมีตาหูจมูกลิ้นกายมันมีอะไรดูมันก็ดูมีอะไรได้ยินมันก็ฟังไปตามเรื่องของมันมีฟังก็ฟังไม่มีฟังก็ไม่ฟังะมีเดิมก็เดิมไม่มีเดิมก็ไม่เดิมจะไม่ไปขอคนนั้นขอคนนี้ให้ช่วยไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้อะไรไม่มี อันนี้คนบางทีไม่เข้าใจก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวเหล่านี้มันยังมันไม่ผิดศีลด้วยความจริงดื่มกาแฟะมันก็ไม่ผิดศีนดื่มบุหรี่ดื่มดื่มกาแฟะหรือสูบบุหรี่มันก็ไม่ผิดศีนเคี้ยวหมากมันก็ไม่ผิดศีนไม่มีข้อห้ามในศีลไม่มีข้อห้ามในพระวิไง ห, ห้ามพระเคี้ยวหมากห้ามพระสูบบุหรี่ไม่มีเพียงแต่ว่าที่ต้องมาห้ามสมัยนี้เพราะพระ สูบบุหรีด้วยความอยากกันสูบจนไปทําให้เกิดสุขภาพเสียหายขึ้นมาทําให้ต้องไปเดือดร้อนกับโรงพยาบาโลโรงพยาบาลก็เลยต้องมารณรงค์ให้พระอยาสูบบุหรี่กันแต่ถ้าสูบพอประมาณวันละสองสามวนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกหลวงปู่มั่นตามประวัติที่หลวงตาท่านเขียนไว้ท่านหลวงปู่มั่นก็สูบบุหรีวันละสามสี่มวน ฉันอาหารอิ่มท่านก็สูบมวนหนึ่งเวลานั่งฉันกาแฟท่านนั่งฉันน้ําชาท่านก็สูบบุหรี่มวนหนึ่งท่านก็สูบไปตามตามเรื่องของมันท่านนั้นเองแต่แท่านก็ไม่ได้เป็นคนสั่งให้เข้าไปหาบุหรี่มาให้ท่านสูบญาติโยมมันเป็นธรรมเนียมของญาติโยมเวลาไ ป, ไ ป, ไปหาพระหรือนิมนต์พระไปก็จะมีหมากพลูบุหรี่ไว้เป็นของถวาย ท่านก็ท่านก็สูกไปตามตามอัธยาิยสายของท่าน แต่ใจของท่านก็ไม่มีอะไรกับมันเหมือนเหมือนกับเล่นเหมือนกับเล่นผู้ใหญ่เล่นเล่นของเล่นกับเด็กเล่นของเล่นไม่เหมือนกันผู้เหญกเล่นของเล่นเพราะเป็นเพื่อนเด็กนีก็เล่นไปอย่างนั้นแต่เด็กเล่นของเล่นนี่แบบเอาจริงเอาจังใช่มเวลาไม่ได้เล่นนู้จะร้องหุ่มร้องห้าขึ้นมาแต่ผู้ใหญ่เวลาไม่ได้เล่นของเล่นก็เฉยเฉยไปอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพระอริยนี่ท่านเป็นเหมือนผู้ใหญ่ ท่านควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมความอยากได้แต่จิตใจของปูุ้ชนนี้ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ยังควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้พออยากอะไรแล้วต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นจะตายขึ้นมาและอาจจะทําให้ต้องไปทําบาปขึ้นมาถ้าไม่มีเงินซื้ออาจจะไปขโมยของที่อยากได้ขึ้นมา แต่ระดับพารยาบุคคลแล้วท่านไม่มีการที่จะไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีก็ไม่ไม่มีสู่ก็ไม่สู่ไม่มีมาเคี้ยวก็ไม่เคี้ยวนี่คือความแตกต่างของจิตใจของพารยะนี่ต่างกันของพารานกักบุญชนนี่ต่างกันพารา น, นี่ไม่มีกิเลสตัณหาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ ขันนี้เหมือนกันขันของพระพุทธขันของพระอรหันต์กับขันของปุถุชนนี้เป็นขันนั้นเหมือนกันร่างกายก็ยังเป็นร่างกายอันเก่านี้เป็นดินน้านุนไฟยังแก่เจ็บตายเหมือนกันอยู่อแล้วก็ขันคือความรู้สึกนึกคิดก็ยังเหมือนกันเวลาร่างกายเจ็บเกิดทุกขเวทนามันก็เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่ว่าใจของท่านไม่มาเจ็บกับมันเท่านั้นเองไม่มาเจ็บกับความเจ็บของร่างกาย <Luther an> ไม่มาเจ็บกับความแก่ของร่างกาย <Luther an> ความตายของร่างกายใจไม่มีกิเลสที่มาสร้างความเจ็บ Sammy แต่ขันยังเป็นขันนันเดียวกันอยู่ขันนี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาขันห้านี้ไม่ใช่ตัวปัญหาขันห้าเป็นเหมือนรถยนต์นตัวที่เป็นปัญหาคือคนขับรถยนต์ใช่ไหมคนที่เมาแล้วขับก็ไปทําให้ลดความตายได้ คนที่ไม่เมามีสติขับก็ปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกันคนที่มีกิเลสมาขับขันห้ามันก็เอาขันห้าไปทำร้าย ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเดือดร้อนแต่คนที่ไม่มีกเกเรเอาขันห้ามาใช้ก็เอามาใช้ประโยชน์กับผู้อื่นพระพุทธเจ้าใช้ขันห้านี้มาแสดงธรรม45ปีด้วยกันมาสร้างคุณประโยชน์สร้างพระอาหารหันต์เป็นจานวนมากขึ้นมาก็ใช้ขันห้านี่แหละไม่ได้ใช้อะไรแต่ใจของท่านบริสุทธิ์เหมือนกับคนขับรถที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีสุรายาเมา ขับรถก็ปลอดภัยเพราะไม่ได้ไปขับให้รถความรดชนคนนั้นคนนี้แต่ผู้ที่มีกิเลสก็เหมือนคนขับรถที่เดิมโุลาจนมึนเมาขับรถก็ต้องไปชนคันนั้นคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมานี่คือเรื่องของร่างกายและของจิตใจของพวกเราตอนนี้พวกเราเป็นปู้ตุชน แต่เราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปลี่ยนจิตใจของพระองค์อยากปุตุชนมาเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เอาวิธีนี้มาสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราให้กลายเป็นพระอาหารหันต์เราก็ทําตามที่ท่านสอนให้เราทําำ ง่ายง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากตรงไปตรงมาทานศีลภาวนาทำสามอย่างนี้เท่านั้นต่อไปจิตใจเราก็จะกายจากปุตตะชนกลายเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆตามลาดับจากปุตุชนก็ไปเป็นโสดาบันจากโสดาบันก็ไปเป็นสกิดาคามีจากสกิดาคามีก็เป็นอนาคามีจากอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแต่ต้องทา หน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ทำบุญทำทานให้สมบูรณ์คือ เ, เงินทองมีมากน้อยเท่าไหร่เราเอาไปทำทานให้หมดอย่ า, อาไปใช้กับกิเลสเพราะใช้กับกิเลสก็เป็นการส่งเสริมกิเลสให้มามาเผาบ้านเรามาเผาใจเรานั่นเองเง้นห้ามใช้เงินตามความอยากเงินนี้มีไว้ใช้ตามความจำเป็นเช่นมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี่จำเป็นต้องซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้า ซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคแต่ถ้าซื้อมากเกินความจําเป็นก็เป็นกิเลสขึ้นมาเองมีเสื้อผ้าพอแล้วก็อย่าซื้อใหม่ไม่ใช่เดินไปตามห้างเดี๋ยวเห็นชุดนั้นชุดนี้อยากได้ขึ้นมาอันนี้ใช้เงินตามกิเลสนั้นถ้าถ้าพักกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเต็มตู้อยู่ในบ้านสแสดงว่ามันเป็นกิเลสต้องเลิกใช้เงินทองแบบนี้อย่าใช้เงินทองตามความอยากถ้าอยากจะใช้เงินทอง ให้ใช้ด้วยการทำบุญทำทานหรือใช้ด้วยกับความจำเป็นของร่างกายแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาเงินนั่นเองเมื่อเราไม่ต้องไปหาเงินเราก็จะได้มีเวลามาพัฒนาจิตใจต่อไปเราต้องอาศัยทานเป็นตัวเบิกทางเป็นตัวเบิกทางให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรม พอเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาใช้เงินใช้ทองตามความอยากเราก็ไม่ต้องไปทำงานมากแต่ที่จะทางานทุกวันเราก็อาจจะทำแค่วันสองวันเราก็จะมีเวลาว่างหรือทำแค่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็หยุดไปสามอาทิตย์นี้เพราะมีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมได้แนละ้วเพื่อเราที่จะได้รักษาศีลสูงขึ้นไปจากศีลห้าก็ไปรักษาศีลป แล้วก็จะได้ไปภาวนาสมถาภาวนาไปทำใจให้สงบด้วยสติแล้วพอเราได้สมาธิเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ทำลายความอยากต่างๆเดี๋ยวมันก็หมดไปเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้มันเป็นขั้นตอนตรงไปตรงมาที่ยากก็อยู่ตรงที่เรายังเสียดาย กิเลท่านั้ะยังเสียดายความอยากอยู่ยังอยากดื่มกาแฟยังอยากเที่ยวยังอยากดูหนังยังอยากฟังเพลงอย่ยังอยากมีแฟนอยู่เนี่ยที่มันทำทำไม่ได้เพราะความอยากเหล่านี้เราสู้มันไม่ไหวแต่เราถ้ามีความตั้งใจแล้วเราเห็นโทษของการที่เราติดอยู่กับความอยากนี่ว่ามันพาให้เราต้องมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นโทษเพราะเรายังเป็น หนุ่มเป็นสาวมีกำลังวางชาเนี่ยแต่พอมันแก่นี่มันถึงจะเห็นถ้าไม่เห็นก็ไปดูคนแก่ลองไปเลี้ยงคนแก่ดูแลจะดูว่าเขาทุกข์ไหมแล้วเราต้องน้อมเข้ามาที่ตัวเราต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาไปงานศพไปดูคนตาย ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาถ้าเราเห็นภัยที่รอเราอยู่ข้างหน้านี้มันก็อาจจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะสู้กับความอยากของเราทุกครั้งที่จะกับฟักกระเป๋าไปเที่ยวก็ฟักกระเป๋าไปทําบุญแทนแล้วก็อยู่บ้านหรือไปวัดภาวนาแทนปัิธรางนี้ไปเรื่อยๆต่อไปกําลังของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถตัดความอยากต่างๆให้ได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็ตัดมันได้หมด พอเราจะมีมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีกําลังสู้กับกิเลสมากขึ้นเท่านั้นจนต่อไปเราก็เข้าสู่ขั้นปัญญาได้ได้สมาธิแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นปัญญาพอขั้นปัญญาที่นี้เราก็สู้กับกิเลสได้ทุกรูปแบบทุกชนิดความอยากทุกชนิดเดี๋ยวมันก็ถูกทำทำลายหมดทำย่อมชนะอัธรรมนี้นี่คือความหมายไม่ได้ หมายถึงคนดีชนะคนชั่วไม่ใช่หรอกคนดีสู้คนชั่วไม่ได้หรอกคนชั่วมันมีปืนคนดีไม่มีปืนคนดีมีศีลทำบาปไม่ได้คนชั่วมันไม่มีศีลทำบาปได้อันนี้ไม่ใช่ทำชนะอาธรรมทำในที่นี้หมายถึงทำในใจเราอาธรรมก็คือกิเลส ต, ตัณหาคู่ต่อสู้ของธรรมธรรมย่อมชนะอาธรรม เรพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้ใช้ธรรมทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปแล้ว<อ>นี่คือความหมายอย่าเอาธรรมะไปใช้ในทางที่ผิดอย่าไปเอาธรรมะไปชนะคนชั่วมันไม่ชนะหรอกคนชั่วมันต้องชนะคนดีคนดีต้องหนีเนี่ยต่อไปคนดีจะต้องหลบไปอยู่ตามป่าตามเขาบอกให้คนชั่วมันสู้กันเองในในบ้านในเมือง จนต่อไปมันจะฆ่ากันเองทำลายโลกไปหมดเนี่พวกคนชั่วฆ่ากันตายกันไปหมดคนดีก็จะออกมาสร้างสังคมใหม่ต่อไปนะนี่คือเรื่องธรรมะที่เริ่มจากการฝนตกมาจนถึงโลกรางโลก <c oughs> ก็ขอให้ท่านนำเอาไปพิพจารณาการแสดงธรรมก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปุราภิริปุเรนติสาคขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาหระโสยะถามะนิโชติหระโสยะถา สัสพิตโยวิวาชนโตสัพพโรโควินัสสโตมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอะพิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภา ล า, ลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา268 YouTube 218วิทยุออนไลน์15รับฟังข้างบนนี้130คนรวมทั้งหมด631ครับถ้าใครอยากจะถามห้ยกมือขึ้นมานะจะส่งไมค์ไปให้เดี๋ยวกอนเดี๋ยวไปทางนู้นก่อนนะพูดเลยคะ ย ม, ยมขอกราบเยียนถามพท่านอาจารย์นะคะคือในการภาวนาเนี่ยยมใช้ลมค่ะแต่นี้มันจิตฟุง้งแล้วก็บางครั้งก็ตื้อจิตไม่ก้าวหน้ายมก็เลยเอาสติมาดูที่กายมาดูที่กายแล้วบางครั้งก็เห็นเป็นโครงกระดูกนะฮะรู้สึกว่าจิตนิ่งดีลมลมเบา ใช้ได้ไดค่ะเส็แล้วแล้วบางครั้งหาก็รู้สึกตัวอ้วนกลมใหญ่บางครั้งก็ตัวเล็กและบางครั้งโครงกระดูกก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดินมั่งหรือสุดตัวลงมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่โยมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดตามนะฮะเพราะกลัวจิตฟุง้ง เ, เพราะรู้ว่าเรายังใ ห, ให้รู้เฉยๆ ค, ค, ความสงบยังไม่ดีแล้วก็สมาธิก็ยังไม่ไม่เกิดนะฮะแตแ่แล้วคิดว่าเข้าใจว่าที่เราเห็นกาย<ๆ>เห็นโครงกระดูกอะ่ะมันน่าจะมาจากสัญญาไม่ใช่ปัญญานะคะแต่ที่โยงจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์คือ ที่โยมปฏิบัติเนี่ยเป็นไปตามหลักสติปฐานสีหรือเปล่าคะคือโยมไม่แน่ใจว่าหลักสติปทานทีเนี่ยใช้สําหรับการวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวสมาถานี่จะใช้ได้ด้วยไหมอะไรที่ตัวเองทํำเนี่ยถูกต้องหรื อ, อยังหรือจะต้องมีอะไรแค่แก้ไขฮะกราบขอท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยกราบขอบพระคุณค่ะมันก็อยู่ในแนวของสติปฐานสี่แต่การเห็นอะไรต่างๆนี้เช่นร่างกายมันจะเป็นไในขั้นของปัญญามากกว่า ถ้าเห็นแต่ยังไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ควรที่จะเน้นในการทําจิตให้นิ่งให้สงบก่อนควรจะดูลมไปจะดีกว่าะถ้าเบื้องต้นดูลมไม่ได้จะใช้ดูร่างกายอะไรไปก่อนก็ได้พอพอคิดว่าพอจะดูลมได้ก็ทิ้งร่างกายทิ้งอลไรกลับมาดูลมหายใจ ดูลมอย่างเดียวให้ดูลมเข้าลมออก อ, อันนี้มันจะทำให้ใจนิ่งใจสงบเห็นภาพต่างๆมันจะทำให้ใจไม่นิ่งครับ่าที่ดูงกระดูกมันจะนิ่งกว่าจจะนิ่งกว่าลมมาาถ้าดูก็ต้องดูอย่างให้มันเปลี่ยนไปให้มันเพ่งดูอยู่โครงกระดกูกันเดียวเดียววเด๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอะไรนี้ไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะบงแต่งไป ต้องถ้าจะดูอะไรให้มันดูภาพนิ่งอย่าให้มันดูภาพเคลื่อนไหวถ้าจะดูโครงกระดูกก็เห็นแต่โครงกระดูกนิ่งๆไปเหมือนดูลมใช้โครงกระดูกแทนลมได้แต่เราไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวของจิตใจเพราะการเคลื่อนไหวของจิตใจจะทําให้ใจไม่สงบนะเบื้องต้นนี้เรายังไม่ต้องการไปที่วิปัสสนาเราต้องไปที่ส ม, มณะส ม, มถะคือไปที่อัปปนาสมาธิก่อน ไปทำใจจิตให้นิ่งสงบให้รวมเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปทางปัญญาต่อไปได้นะเห็นพยายามใช้อะไรให้จิตมันนิ่งถ้าจะดูกายก็ดูแบบดูแบบไม่เคลื่อนไหว เพลงมันเลยเพ่งเฉยเหมือนเพล่งลมเรือเหมือนเพ่งพุโทโธเนี่ยต้องการให้ใจมันเฉยให้มันนิ่งถ้าไปเห็นภาพเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงนีใ่ใจมันทำงานมันก็จะไม่มีวันนิ่งไม่มีวันสงบได้ อันนั้นว่าอีกขั้นนึงถ้าได้สมาธิร้านนี้ก็มาดูมันเปลี่ยนได้เราบังคับให้มันเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้จากแก่เป็นเจ็บเป็นตายอะไรเงี้ย บ, บังคับตายก็กลายเป็นซากศพไปซากศพสิบชนิดตายแล้วขึ้นอิดขึ้นพองขึ้นมาตายแล้วมีแรงการมากัดอะไรกินอะไรพิจารณาไปได้ถ้าอยู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญาเราไม่ต้องการให้จิตนิ่งต้องการให้จิตฉลาด ให้จิตเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นสภาพเป็นซากศพไปหรือขณะที่มันมีชีวิตอยู่มันก็มันก็มีอวัยวะต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่ไม่น่าดูน่าชมอย่างที่เราคิดกันมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้อันนี้ต้องใช้ปัญญาขุดคุยสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาให้เห็นภาพเหล่านี้ เราจะได้เบื่อนายจะได้ไม่หลงไปรักคนนั้นคนนี้เข้าใจไเ อ, เอแต่เบื้องต้นนี้ทําใจให้สงบก่อนถ้าไม่สงบมันคิดไม่ได้มันไม่มีกําลังที่จะมาคิดมันจะชอบไปคิดถึงของสวยๆงามๆชอบคิดถึงเงินทองของอะไรต่างๆ ต, ต้องทําใจให้สงบให้มันอิ่มก่อนไม่ให้มันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วค่อยมา อามาดึงมันมาคิดทางปัญญาคิดถึงอนิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายคิดถึงอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายอะไรไปแล้วเราจะได้ไม่หลงไปกับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้ทั้งของเราและของคนอื่นนะกระดูื้ถ้ายกจะเพ่งกายก็เพ่งกายเฉยๆไปเลยเพ่งอกระดูกไปเลยนะออใช่ตอนทําสมาธิให้เพ่งให้เพ่งไม่ให้ไปแยกแยะไม่ให้ไปพิจารณา แต่ขั้นปัญญาแล้วค่อยไปแยกเยอะต่อไปอทางนี้มี เ, เอย่ไมโครโฟนไปไหน่อยเรียนถามอาจารย์เรื่องทําใจสงบครับระหว่างพุทโธกระดูลมเนี่ยเอเราควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าจะทําแยกกันไหมครับหรือว่าทํามารวมกัน <c oughs> เพราะบางทีรวมกันรู้สึกยุ่งยากยากุ่งยากเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า ที่รวมกันนี้อาจจะเป็นคนบางคนที่ดูลมแล้วยังคิดอยู่ก็เลยเอาพุโทโธมา mm. มาผูกไว้ชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเราดูลมไปได้ดูลมไปก็ได้หรือพุโทโธไปก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแล้วแต่บางเวลาบางเวลาจิตชอบพุโทโธก็พุโทโธไปเวลาชอบลมก็ดูลมไปแต่เวลาเอาอันใดอันหนึ่งแล้วอย่าไปเปลี่ยนมนให้มันอยู่อันเดียว แต่ตอนที่เราเริ่มเราคิดว่าวันนี้อยากจะพุทโธก็พุทโธกันเหมือนว่านี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวไปอย่างเดียวไม่ใช่กินไปครึ่งจานแล้วไม่เอาแล้วอยากจะเอาข้าวผัดต่ออย่างนี้อได้ครับออันนี้จังหวะพุทโธนี่ไม่เป็นไรตามความสบายของเราตามแล้วแต่จังหวะบางทีจิตมันเด้อมันก็คิดมากกับพุทโธให้เร็วให้เร็วหน่อยถ้ามันไม่เด้อมันไม่มีความคิดกับพุทโธไปสบายสบายก็ได้ได้พระอาจารย์อีกคําถามหนึ่งครับถ้าเกิด ปกติหลับตาก็จะเป็นคนง่วงง่ายเร็วถ้าเราพุดโธแล้วเราลืมตาเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือว่ามันจะมีข้อที่ต้องระวังหรืออะไรไหมครับคือลืมตามันก็จะทําให้ใจมันผูกติดอยู่กับภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะไม่เข้าข้างในได้มันก็จะไม่สงบถ้าปิดตามันก็ไม่มีภาพดึงไว้ดึงใจไว้เราต้องการดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นก็ ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะดูถ้าจะลืมตาก็ต้องไปนั่งที่ตรงหน้ากำแพงอย่างเงี้ยหน้าเห็นแต่ฝาผนังไ ม, ไม่มีอะไรให้คิดเดี๋ยวพอถ้าเห็นนั่งไปนะเห็นภาพเคลื่อนไหวมีอะไรไอน้นู่นไอ้นี่มาเดี๋ยวก็คิดปรุงแต่งไปตามภาพได้ถ้านั่งต่อหน้าพระพุทธรูปพระพุทโธ แต่ลตาแล้วคือเราไม่ง่วงแต่ก็ยังน่าจะดีกว่าที่จะหลับตาก็ถ้ามันนั่งแล้วหลับก็หลับตาแล้วหลับก็ลองลืมตาไปก่อนแต่ความจริงมันที่มันหลับมันลืมตาเดี๋ยวมันก็หลับได้ครับเดี๋ยวพอมันง่วงมันก็หลับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลืมตาแล้วหลับตามันอยู่ที่มันไม่มีสติสติเรามีกำลังไม่พอพอให้ใจทํำไม่ให้ทำอะไรให้มันเฉยๆเดี๋ยวมันก็ง่วงขึ้นมา เราต้องถ้ามันง่วงลุกมาเดินจงกลมดีกว่าเดินจงกลมไปหรือนั่งลืมตาก็ได้ถ้านั่งได้ก็ลองทําดูก็แล้วกันแต่มันจะไม่รวมอ่ะังไม่สงบมันจะรวมก็ต้องหลับตาพอถึงขีดหนึ่งแล้วมันก็อยากจะหลับตาเองพอมันจะสงบมันก็จะหลับตาของมันไปโดยธรรมชาติครับสาธุครับอแต่วิธีแก้ความง่วงนี้ไม่ใช่แก้ด้วยการนั่งหลืมตามันต้องไปนั่งที่ป่าช้าย่เี้มันไม่ง่วงแน่ ไปนั่งที่มันหวาดเสียวน่ากลัวพระบางรูปท่านไปนั่งที่หน้าผาเลยถ้ามันสับประหง ก, ก็หัวทิ่มลงตกเหวไปเลยอย่างนั้นมันจะไม่ก้า ง, ง่วงอ่ะต้องมีมาตรการอะไรที่จะมาอีกอย่างก็ไม่กินมากกินมากก็ทำให้ง่วงฉะนั้นคนจะภาวนาจริงๆนี้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว มันจะทำให้ความว่วงเหงาเหานอนนี้ลดน้อยลงถามเพิ่ตอีกข้อครับถ้าเกิดเวลาที่ปรานานมีนมีน้อยเนี่ย ระหว่างถ้าเราพุทโธไปเลยกับบางคนก็ต้องสวดมนต์ก่อนอะไนี้แล้วคือเราตักสวดมนต์ออกไปได้หมครัคือบางคนยังพุทโธไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพราะใจคิดมากคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้ให้พุทโธก็ไม่ยอมอยู่กับพุทโธก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนสวดเงินมันก็ทําให้เราลืมเรื่องที่เราคิดได้พอสวดเสร็จเราก็พุทโธ ต, ต่อเรื่องดูลมต่อได้แต่ถ้าเรานั่งพุทโธได้โดยที่ไม่มีปัญหาก็พุทโธไปเลยก็ได้ดูลมไปเลยก็ได้ แล้วแต่กำลังของสติของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยถ้ามีน้อยบางทีก็ต้องเสริมกำลังด้วยการสวดมนต์ไปก่อนสาธุครับมีใครจะอยากจะถามมีไหมไม่มีก็ส่งม่กกับไปที่ออคาถามจากผู้ฝากถามข้างบนเขานะครับโยมเคยมอบกายถวายชีวิต ขอนิใสพระอาจารย์ท่านหนึ่งต่อมาได้ทราบด้วยตนเองว่าท่านมีศีลไม่บริสุทธิ์จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกพระท่านฝากบอกลูกศิษย์ให้มาบอกโยมให้ไปทำพิธีขอถอนเรื่องดังกล่าวเสียมิฉะนั้นจะขัดข้องในเรื่องการปฏิบัติเจ้าคะ่ะโยมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมควรทำอย่างไรเราถอนเองเราไม่ต้องไปถอนกับคนที่เราไปฝากรก เราไม่ไปก็ถือว่าเราถอนแล้วมไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปทําพิธีอะไรนั่นไม่ใช่ทีอยู่ที่พิธีอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราขาดศรัทธาแล้วมันก็ถอนไปโดยอัตโนมัติอยู่ดีไม่ต้องไปทําพิธีอะไร คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมนั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งใจเปลี่ยนมาบริกรรมและดูลมหายใจพอดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธไปได้พักใหญ่ใจก็อยากเปลี่ยนกลับมาบริกรรมอย่างเดียวอีกอยากถามว่าผมควรรู้ตามอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าควรจะบังคับให้อยู่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ไม่ควรทำตามอารมณ์นะถ้าจะเปลี่ยนให้มันมีเหตุผลฉันดูลมแล้วคิดฟุง้งซานลองมาใช้พุทธโธดูว่าดีกว่าไหมถ้าดีกว่าก็ใช้พุทธโธไปแต่อย่านึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันก็จะไม่มีวันสงบกระโดดไปกระโดดมาฉะนั้นในที่สุดจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งเบองต้นอาจจะลองเปลี่ยนดูอาจจะสวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งแล้วดูลมไม่ได้ลองสวดมนต์ไปก่อน พอสดวดได้รู้สึกดูลมได้ก็ดูลมไปแล้วไม่เปลี่ยนกลับไปแล้วทีนี้ก็ดูลมไปเรื่อยๆลมนี่เป็นตัวสุดท้ายส่วนที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่คือดูลมหายใจส่วนพุทโธแล้วการสวดมนต์นี้อาจจะช่วยทำให้ใจเบาใจสบายใจคิดน้อยลงฟุ้งน้อยลงก่อนหรือบางคนใช้พุทโธแล้วดึงเข้าไปสู่ความสงบเลยก็มี พุโทโธพุโทโธไปปุ๊บเดี๋ยวมันเหมือนตกลุมตกบอ่อลงไปแล้วก็นิ่งสงบก็มีมก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งแต่ตอนต้นก็อาจจะลองใช้สวดมนต์ไปถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนพอใจเริ่มอยู่กับงานที่เราให้มันทำแล้วก็ให้มันดูกับลมไปแล้วอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วอย่าไปเปลี่ยน เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทํางานจิตมันจะเคลื่อนไหว <c oughs> มันจะเริ่มต้นใหม่คล้ายๆเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นใหม่คําถามจากคุณบุญธรรมตัณหาความทยานอยากกับโลภะความโลภแตกต่างกันอย่างไรครับก็แตงที่ภาษาแต่ความหมายก็ตัวเดียวกันโลภ ก, อก็อยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็เป็นความอยากบางทีท่านก็ผัดกันใช้ ความโลภ ก, ก็คืออยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าต้องต้องได้เข้าใจไหมนี่เรียกว่าโลภถ้าถึงเวลากินข้าวนี้ไม่เรียกว่าโลภถึงเวลาต้องกินอยากกินแล้วอยากกินเอีกนี่ถึงเรียกว่าโลภคำถามต่อไปจากคุณนิพพานารีคุณแม่หนูถวายน้ำพระที่บ้านแต่ใช้น้ำก๊อกน้ำประปลาตลอดหนูบอกแล้วไม่เชื่อ บอกว่ามันคุณแม่ก็บอกว่ามันก็มาจากกอกเหมือนกันทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเรื่องของท่านอาบอกถ้าแล้วท่านทาน่านจะทำอย่างนั้นก็เรื่องของท่าน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบางทีบริกรรมพุโทโธไปสักพักมีเสียงแทรกเป็นธรรมโมหนูควรจะไม่ฟังเสียงนั้นแล้วบริกรรมพุโทโธต่อไปใช่ไหมคะใช่ถ้าเราจะอยู่กับอะไรก็อยู่กับอนนั้นไปอย่าให้อย่างอื่นมาฉุดลากเราไปฉุดลากเราไปเดี๋ยวมีอย่างอื่นมามาฉุดต่ อ, อก mm. เดี๋ยวจากธรรมโมเดี๋ยวสังโฆมาอีกมันก็จะไปของมันจิตมันชอบไปอยู่แล้วมันไม่ชอบอยู่กับที่ เราต้องการหนึ่งให้มันอยู่กับที่เลยต้องบังคับให้มันอยู่กับอันเดียวอารมณ์เดียวคำถามจากคุณตั้มปกติคนคนหนึ่งเป็นคนดีมีธรรมะแต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตป่วยหนกัก แพทย์ต้องให้มอร์ฟีนเพื่อบัรเทาอาการเจ็บปวดจากนั้นก็ค่อยๆจากไปอย่างสงบอยากทราบว่าแบบนี้จะไปสุคติภูมิไหมครับเนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาเสพติดก่อนตายเเราไม่รู้หรอกว่าใจของท่านของคนที่ตายนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าในชีวิตของเขาตั้งชีวิตเขาทำบุญทำบาป ม, มามากน้อยเพียงไรบุญและบาปที่เขาทนี่เราจะเป็นตัวที่จะตัดสินว่าเขาจะไปแบบไหน คำถามต่อไปจากคุณบรีสการตายคือการหมดบุญหรือหมดเวรหมดกรรมเจ้าค่ะหมดล ม, มดเวรกรรมยังไม่หมดบุญไม่หมดนะเวรไม่หมดกรรมไม่หมดต้องไปใช้ต่ออ้ไอที่หมดคือลมหมดลมหายใจคือร่างกายไม่หายใจคำถามจากคุณนิยา เราสามารถสั่งสมบุญให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยการสะสมบุญเล็กบุญน้อยแล้วมันจะกลายเป็นบุญมากได้ใช่ไหมเจ้าค้ะก็เหมือนกับเราเก็บเงินเก็บมันระบาทสองบาทสิ้นปีก็ได้สามร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าบาทถ้าไม่เก็บเลยก็ไม่ได้เลยหรือจะเก็บทีเดียวเจ็ดร้อยแปด้อยทีเดียวก็ได้เหมือนกันน่อยู่ที่ปริมาณที่เราเก็บ เก็บแล้วเก็บน้อยเก็บมากทีเดียวก็อยู่ที่ปริมาณที่เราเก็บว่าเราเก็บเท่าไหร่นีบางทีเราไม่สามารถเก็บทีมากๆได้เราก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยไปตามกําลังของเราก่อนบ่นด้นะบุญก็เป็นเงินเราเก็บสะสมไปเรื่อยมีมากก็เก็บมากมีน้อยก็เก็บน้อย เส็แล้วมันก็จะบวกไปแล้วก็มีดอกเบีย้ยให้ด้วยเวลากลับมาเบิกในชาติหน้าก็จะมีเงินมีต้นมีเงินต้นทบกับดอกเบีย้ยด้วยเผอจะรวยกว่าเก่ารวยกว่าที่เราเป็นอยู่ชาตินี้บุญนี้มีคุณประโยชน์ทำให้ใจเรามีความสุขในขณะที่เราทำบุญตายไปบุญก็ทำให้ใจเราเป็นเทพเป็นสวรรค์ กลับมาเกิดก็ทําให้เรามีเงินทองรอรับเราอยู่ไม่มีไม่สูญเปล่าการทําบุญนี่มีแต่ได้คุณได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มทําไปเลยไม่ต้องรอวันตายไปรับผลบุญทําบุญแล้วใจจะมีความสุขใจจะมีความสบายไม่เชื่อลองเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปทําบุญกับเอาเงินไปไปเที่ยวดูผลมันจะต่างกันะ บุญจะทำให้ใจเราเย็นสบายอิ่มไปเที่ยวมันก็สนุกเดี๋ยวเดียวพอกลับมาก็หายไปหมดทำให้เราหิวถ้าไม่มีคำถามเข้ามาก็จะหยุดมีไหมมี ค, คำถามครับจากคุณกุหลาบการสวดมนต์และสวดบทอิติปิโสเกินอายุมีข้อดีอย่างไรครับยิง่ง ความจริงยิ่งสวดยิ่งมากยิ่งดีดเพราะสวดแล้วจะทำให้เรามีสติมากขึ้นถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวใจเราก็คิดเรื่องนุ้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าสวดมันก็จะทำให้ใจสงบเพาะนั้นไม่จาเป็นจะต้องสวดเท่ากับอายุสวดอีกสองเท่าของอายุก็ได้สามเท่าของอายุก็ได้สวดทั้งวันทั้งคืนก็ได้เพราะการสวดนี้เป็นการเจริญสตินั่นเองยิ่งสวดม้กก็ยิ่งมีสติมาก แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะทำใจให้สงบได้ง่ายได้นานแล้วจะควบคุมอารมณ์ได้เวลาไม่สบายใจก็ใช้การสวดนี่ไปเดี๋ยวเดียวก็หายพอใครด่าไม่สบายใจก็ไปพุดไปสวดอิติปิโสปั๊บเดียวเดียเด๋ยวก็หายโกรธนะการสวดนี้เป็นการลบอารมณ์ลบความคิดต่างๆให้ออกไปจากใจพอไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใจก็ว่างเบาเย็ยนสบายมีความสุข ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับตนเองเความเราสร้างความสุขของเราเองดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำงานหาเงินมาแล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่ใช้เงินหานี่เดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี่ถ้าเรารู้จักทำแล้วเราทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่มีเงื่อนไขไม่เหมือนกับการใช้เงินใช้เงินแล้วร่างกายยังต้องแข็งแรงด้วยต้องมีที่ใช้เงินด้วยถ้ามีเงินแต่ไม่มีที่ใช้เงินก็ก็ไม่มีความสุขอีกมันมีหลายมีเงื่อนไขมากแต่การหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้มีเงื่อนไขเดียวคือให้มีสติควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ให้สงบใจก็มีความสุขแล้วและเป็นความสุขที่ดีกว่า